อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จริงเนี่ยเขาสามารถเป็นที่ตั้งของสมถารือปัสนาได้ฉั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจเนะี่ยเป็นปัจจัยการเจริญสมถาวิปัสนาได้ไหมโอยเป็นแบบเพ่งพุทธรูปและเจริญสมาธิก็ได้เนาะต่อวิปัสนาก็บรรลุได้เอาสินี่ยใสยตะวันตาใส่ตะวันหูก็ได้เนะศัยตะวันหูฟังมาทำจริงนะหูชัดเจนมากตะวันจมูกไปทําไงล่ะสนรวจไปมาทำจริงเคยทํำไหมเอาดําจริง จริงๆเน่ยก็คือว่ากลิ่นอะไรก็ได้นะที่เข้ามากระทบกับคานหน้าทวารเนี่ยมีคานหน้าประสาทเนี่ยใช่ไหมถ้าไม่กรณีที่กระทบเนี่ยเขาสามารถที่จะเจริญใช่ไหมอาศัยอาศัยคานหน้าประสาทอาศัยกลิ่นอาศัยคานหน้าวิญญาณประชุมกันเป็นภาษาภาษาเขาเป็นไปไกลกับเวทนาไหม งั้นในเวทนาที่มันโกรธขึ้นเนี่ยเขาสามารถที่จะเจริญเวทนานี่ยเข้าสู่สายวิปัสสนาก็ได้แม้แต่สายสมถะเขายังสามารถทําได้คนที่มีความชำนาญจริงๆเรทวารลิ้นโอ้โอโอจเจริญวิปัสสนาบรรลุกันมาเยอะแยะแล้วทุกทวารใช่ไหมพระอาหารหันต์เคยบรรลุกันมาหมดแล้วในการที่เอาเอามโนทวารมาไขควรพิจารณาไม่มีทวารไหนเลยที่จะไม่เป็นที่ตั้งของ ในขม้าหรือออกจากกามได้เขาพิจารณาก็ใช่ครวรเขาออกจากกรามาคุณได้บางคนเนี่ยเห็นโทษทางทวารทวารจมูกเนี่ยโอ้ไม่เอาแล้วการมีจมูกการมีการมีกลิ่นการมีคานะวิญญาณการมีคานะสัมผัสการมีคานะมีคานะสัมผัสสชาเวทานาแล้วก็เป็นปัจจัยแก่คันธะตันหาเนี่นะการยินดีพอใจในกลิ่นเนี่ยตันหาก็เป็นปัจจัยแก่อุบาทานอุบาทานก็เป็นปัจจัยแก่พบ พบมีสองส่วนนกรรมมาพบใช่ไหมกรรมมาพบก็คือพบคือตัวกรรมเนี่ยกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมที่มันเป็นกายทุจริตและกายสุจริตเป็นตัวเลยรแต่เหล่านี้ลองพิจารณาดูโอโ้กรรมเป็นปัจจัยเกิดพบไอ้กรรมก็เป็นปัจจัยเกิดชาติชรามรณะไปโอโ้เป็นทุกข์อีกแล้วมองเห็นยังฉะนั้นทุกทุกทวารเนี่ยก็สามารถเอามาไขาควณแล้วก็พิจารณาในการที่จะเป็นที่ตั้งของการทําเนธคัมมาให้เกิดขึ้นได้หมดทีนี้เราก็ถนัด ทางทวารไหนที่ชํานาญที่สุดเนยอาหารได้ไหมเราใช้บ่อยใช่มไหมก็ในชีวิตจริงๆหลังจาฟังพระธรรมแล้วออกไปเคไปใข้ควรกันบ้างไหมเวลากินอาหารเรื่อลืมทุกทีอ้าวหลวงพ่อตามความเป็นจริงหน่อยหรือห <c oughs> รือฟังนคนๆพอพระคงไม่รู้เราพระก็พูดเหนื่อยไปเรื่เดี๋ยวกลับไปยอมจะเหมือนเดิมอย่างนี้บ้างไม่ได้ยังไงหรือหรือไปเขียนบ้างเพื่อน มีมันไม่ไปเพียนไครควรพิจารณาตามท่าสอนบางมีบางมันเอาเดือนหนึ่งมีสักครั้งไหมอเอาแล้วครั้งหนึ่งก็พอใจแล้วนะความโกรธมันความโกรธมันยังแรงแรงเท่าเดิมหรือว่ามันลดลดลงกว่าเดิมเยอะหรือมันมากขึ้นถ้ามากขึ้นกแสดงกินยาผิดแล้วต้องไม่ใช่คําสอนพระพุทธเจ้าผิดนะเราใครควรผิดแน่นอนใช่ไหมใช่แล้วต้องดูทีเออสัตว์ทินซีมันแก่กล้าขึ้นไหม สศรนนัทธาในพทะเจ้าเพิ่มขึ้นไหมหรือว่าเท่าเดิมหรือน้อยลงเคยไปเช็คขอ้อมูลตัวนี้ดูาไมหรือ <c oughs> <c oughs> ไม่เคยดูเลยแสดงว่า ต, ต้องไปกลับไปตรวจสอบไปนะไปตรวจสอบดอูถ้าอย่างนี้เราก็ต้องมาพิจารณาดูปูย่ย่าตายายที่ผ่านมา <c oughs> พ่อแม่ผ่านมาตายไปหมดแล้วเนี่ยนี่เ <c oughs> มื่อเมื่อเเมื่อเมื่อเขา เมือ่อเมื่อเขาตายไปแั้งหมดแล้วเนี่ยถามเออเขาตายไปอย่างประเภทที่เขาใช้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาธรรมดาใช่ไหมเออเราจะอยู่แค่นั้นหรือจะทําให้มากกว่านั้นหรือเปล่าใช่ไหมเขาไปพิจารณาไปใไข้กวนทีนี้บางทีนะก็น่าหิ้ใจเนาะบางทีพอกลับไปที่บ้านสิ่งแวดล้อมไปอีกสิ่งแวดล้อมหนึ่งเนาะเนี่ยมาอย่างนี้เรายังเห็นสิ่งแวดล้อมในการฟังพระธรรมอันนี้ลองไปอีกสังคมหนึ่งสิเขาจะไม่คุยรำมากแบบนี้กันนะ เขาจะไปคุยอีกเรื่องนึ่งแล้วโอ้โหใจเรามันก็น้อมอยู่แล้วใช่ไหมเผลอๆเราเป็นปนำเขาซะเลยเนี่ยต้องอย่างนี้สิไปแล้วแต่นี้ก็วางทีวางท่าหน่ถ้านั่นหน่อยก็มีป้ายติดหน่อยบอกเราจะคุยด้วยก็เฉพาะสติปัฏฐานสี่เท่านั้น <laughs> แต่ถ้านอกออกจากสติปัฏฐานสี่ไม่คุยก็ถามทมําไมไม่ได้ใจรุดออกจากสติปัฏฐานตอนนี้กํลาลังไข้กวดกระถามเจอหน้ากันก็ถามนามี่ นีเป็นยังไงคุณจเจริญบัพปไหนเนี่ยใช่ไหมจเจริญอานาปานะหรือเปล่าหรือเจริญ อ, อียาบทสัมปชัญญะบัพปฏิกุลมรณาจารบัพใช่ไหมท้าตัวมรณาจารบัพป่าช้าทั้งเก้าบอกไม่มีเลยเ อ, อ๋อสิบสี่บัพไม่มีเลยตกใจเลยเนาะเอาเท้าเวทนาที่กําลังเรียนอยู่ก็ยังไม่เข้าทาเข้าทางเลยโอ้โหทําไมตั้งท้าไว้นานเหลือเกินเนี่ยมรณาภัยมาเกิดขึ้นกับเธอเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ย พระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาก็เพื่อประโยชน์แก่เราทั้งหลายนะพระเจ้าบอกท้าประมาทเหมือนคนที่ตายแล้วไงเออพระเจ้าทรงมหาลาศเนี่ยท่านฟังประโยคเดียวเองเออสัมเณีนี่โคตรเนี่ยแกหาเนี่ยเดินแกกัะกลุ่มแกแกฆ่าคนมาเยอะนีพระเจ้าทรงเนี่ยเดินอยู่เหมือนเดินโยงกกมาอยู่บนไอ้ช่องหน้าต่างเดินไปเดินมาแกกลุ้มเนี่ยที่เห็นเห็นนี่โคตรสัมเณีเห็นสัมเณีนะ หเห็นเหมือนสมาเณรที่มาเดินเรียบร้อยอยังเดิ น, เ ด, นเดินบินระบาดเดินโอ้โหสถิตแค่เห็นน่ะศรัทธาแล้วอัธาายาศัยมีอยู่อบอกว่าไปปน น, นิมนต์สมาเณรมาเณรก็โอ้โหที่จริงแกแกให้พวกพราหมณ์พวกไอข้าราชกบริพานทั้งหลายเนี่ยไปเชิญพวกครูทั้งหกมาแล้วมาทีเห็นแล้วเดี๋ยวไม่ชอบใจเลยอ่ะแต่ก็ไม่แสดงปฏิกิริยาอะไรมากก็ให้กลับไป แต่ละคนนี่นะพวกไอ้บรรดาพวกเจ้าระทีทั้งหลายเนี่ยลูกศิษย์เจ้าระทีทั้งหลายที่มาปฏิกริย า, าแปลกต่างๆกันออกไปใช่ไหมมาดูปฏิกิริยาคงคนก็เคร่งเกินการมางคนก็ทําอะไรเนี่ยท่านไม่ถูกใจอ่ะที่ไปเชิญพอไปเชิญนี่โคตรสมณีนมาท่านก็นเดินมาชา้าแล้วเดินส็หมายว่ามว่าสมณีนเขาคงรู้นะสมณีน เ, นเป็นเป็นพระทหารเนี่ยก็รู้นี่มา ท่าก็มีความรู้สึกืทำไมจะมาทุกทีอะศรัทามันจ้างก่อนแล้วใช่ไหมสัตยินทร์ศรีเแข็งแรงมากหลวพระเจา้าโสม่ยพอมาถึงเบด็ดเสร็จเนอะแล้วมนันเนยมายืนเป็ดเสร็จเอ้ยดูตอนไอ้พวกนิคน ม, มาเนี่ยไอ้พวกครูทั้งหกมานี่นั่งดำอยากต้องนั่งดำดีต่างต่างกันใช่ไหมเนยนี่มาเอ้ยเราเป็นส ม, มณะเดี๋ยวไปนั่งกับโยมก็ไม่ได้อะไก็ได้เบด็ดท่านเดินตรงไป น, บบงงงงนู่นเลยรอดฉบหลังน่ะบัลลังก์ของพระเจ้าโสกเลยเดินเดินปุ๊๊บไปเลย แต่เดียพระเจ้าโศกนอบถวายเลยท่านนั่งบนหลังบนหลังบนหลังกษัตริย์เลยน้ำเน้นนะเอาที่เนนปัจจุบันลงไปนั่งบนหลังของพระเจ้าแผ่นดินก็เป็นไงใช่ไหมหนี่ไม่ธรรมดาแล้วเจ้าโศวโอ้โหปฏิกิริยาน่าเลื่อมใสพูดแสดงทำแสดงอัปมาตธรรมบอกว่าความประมาทเป็นทางแห่งความตายนะความไม่ประมาท เ, เป็นทางแห่งมอมตะธรรมนะเป็นทางของพระนิพพานนะพูดอย่างนี้นะ บอกโอ้ยพระผูเจ้าพอแล้วฟังแค่เนี้ยยอมถาบซึ้งแล้วฟังแค่เนี้ยขนลุกขนชันโอ้โาบซึ้งมากก็ทําคําสอนของพระเจ้าท่านประชมคําสอนของพระเจ้าลงในอัปมาธาทํ า, าได้แล้วสิโอ้สติอ่ะพูดลงสติน่ะบอกว่าการมีสตินี่บอกสตินั้นจําปาราธนานในกิจทั้งพวงแล้วสิอโอ้ที่เราเป็นทุกอยู่เดินงุ่นงานงุ่นงานเนี่ยไม่ขาดสติเอาเลยแต่เนี้ยเข้าใจแล้วใช่ไหมบอโอ้เพราะมึงจะเริญสตินี่เองว่างั้นนะ เข้าใจแล้วไปชมสติลงได้ไม่ขาดสติก็เราปล่อยสติไปวันวันก็คือเราตายแล้วคนตายแล้วมีชีวิตอยู่ก็คือคนตายแล้วแค่นี้เข้าใจแล้วถ้าเราจะปล่อยสติขาดเพอเลอยเดี๋ยวชมนกชมไม้ไปทั่วอยากพูดอะไรก็พูดอยากทําอะไรก็ทำอยากกินอะไรก็กินอยากไปเที่ยวที่ไห น, นอยากคิดเรื่องอะไรคิดได้ทุกเรื่องอันนี้นะอยู่อย่างนคือคนตายไม่ตาม่างกันเลย ตายก็อยู่ไม่ไดับกันแล้วมืนคนตายเลยแล้วอไปรอยชน์แล้วพอพูดกันอยู่เข้าใจชั้นบอกทั้งไม่ประมาทเป็นทางแห่งอมตะอู้เป็นทางแห่งพนิพพานเป็นทางแห่งว่าไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บ ไ, ไม่ตายนะเป็นปฏิปทาเป็นองค์มรณะอย่างนั้นนะสติเนี่ยเป็นองนะค์มรณะคําสอนพุทธเจ้าประชุมลงในความไม่ประมาทใช่ไหมเมื่อไรเราจะเข้าใจอย่างนั้นใชมไหมพูดอย่างนั้นโอ้โหเป็นสามารถประมวลประชุมคําสอนลงได้ทุกทหมดเลยเข้าใจระบบอกพระคุณศรัทธาทันที เพราะงั้นนะถวายถวายปัจจัยแกสามนเณรนั้นถวายไปแบบสิบเจ็ดสิบหกหรือสิบแปดสิบแปดชุดเนี่ยเณรก็บอกโอ้บอกจะถวายอุปชาถวายอีสิบถวายอาจารย์ถวายไปเรื่อพระเจ้าโศกนี่ทําบุญวันละเอ้วเลี้งพานเนี่ยวันละหกหมื่นลูกวันละหกหมื่นลูกแล้วในบรรดาผู้ทําบุญนี่นะ พระราชามหาคัสสัต์ตามประวัติยังไม่เคยมีใครทํามากเท่าพระ ส, สัตรุดมาแล้วสร้างวัด 84,000 วัดดิเจดี 84,000 องทั่วชมพูทวิบโอ้โหมหาศามนมากบารุงดูแลพระก็คิดดูนะนิโคสัมมณี น, นี่เป็นอาจารย์ของท่านนี่นะท่านถวายจีวรเนี่ยวันละสามวันละสามชดุดถวายให้อาจารย์ตัวเองทุกวันแล้วต้องให้อาจารย์เตรียมทุกวันด้วย เวลาสองชุดเวลาสองชุดข้็พระในยุคนั้นเนี่ยในกรุงปาตาลีบุตรในยุคนั้นเนี่ยไม่มีใครเลยที่ไม่ได้ยีวรของนิโคดสัมณีนิโคดสัมมณีท่านก็ใส่ท่านก็เปลี่ยนใช่ไหมพอถวายปั๊ท่านก็อธิษฐานสละสละเบ็ดเสร็จอธิษฐานท่านก็ใส่เพราะถ้าโยมถวายท่านจะต้องใส่ใช่ั้มเพื่อโยมได้ได้อ น, นิสงโ ย, ยมได้สตราร์เบ็ดเสร็จแล้วท่านก็เอาทําบุญต่อเอาทําบุญต่ออย่างเนี้ยนะ ฉะนั้นเขาบอกว่าในกรุงปัจลีบุตรในกรุงราชครื่เนี่ยตีวรนนิพภะข่มกันเนี่ยุคนั้นก็คือไปอย่างมีโคตรเสมอเนี่ยก็รับจากพระเจ้าสศกก็วันละสามชุดน่ยเชา้ากลางวันเช้ามาแล้วมาถวายอาจารย์แล้วก็ตอนเที่มาตีวอถวายอาจารย์อีกแล้วนับถือเป็นอาจารย์เลยอตอนเย็นมาถวายวโอ้ ร อ, อาจารย์ก็ทำบุญอย่างแต่พระอรหันต์ทบุญอย่างว่ากิริยาทำนพระเจ้าทรงนี่ศรัทธาในพระรัตนตรัยนี่สูงมากถ้าเอาเอาเนี่ยคนกล้ามองพระพุทธรูปเจ็ดวันเออมองพระพุทธเจ้าเจ็ดวันไม่กระพิบตานอกจากพระพุทธเจ้าก็มีพระเจ้าทรงนี่ที่ทํามันมีบุญได้อีทําได้ขนาดถวายว่าเอาตามข้ากลพระเจ้าถวายพุทธบูชาคนนี้กลับไปลงมาตาถวายพระเจ้าทุกชั่วโม ง, มงเป็นปัจจัยการเวทนานะมีสมนัติเสวนาเกิดร่วมกับมาหาพุชนะ แล้วก็เป็นศรัทธาเนะสยทพินรียเนีเป็นสมถะใช่หมถ้าพิจารณาอย่างนั้เน่ะเห็นความแตกดับของสมณะเวทนาเป็นต้นเหตุปัจจัยของเวทนาเป็นต้นเป็นวิปัสน า, าเนี่ะเจริญสติสตัพปทานได้ไหมเวทนาเป็นอารมณ์ของสติปัฏฐานได้นะนี่ก็พิจารณาลักษณะนี้อ้าวถึงไหนแล้วอา่ออานบทว่าสมุทยะใหม่หร่อเออไม่ใช่ก่อนหน้านั่นสิอัรถานที่บายบทว่าภิกษุย่อมพิจารณา น้ว่าไปนั่นแหละตรงนั้นแหละ มีปกติพิจารณาเห็นธรรมคือความเก hm. ิดขึ้นในเวทนาทั้งหลายตามกาลหรือมีปกติพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในเวทนาทั้งหลายตามกาลอยู่เออตรงนี้ถ้าพิจารณาตรงนี้ท่านบอกว่าเห็นธรรมหรือความเกิดขึ้นในเวทนาบ้างเห <dead> <rock> ็นธรรมคือพิจารณาเห็นความเสื่อมในเวทนาบ้าง แล้วก็เห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในเวทนาบ้างอยู่ตรงเนี้ยนะตรงนี้ท่านบาลีท่านใช้คําว่าสมุทยะวยธรรมมาสมุทยะนะก็คือว่าเห็นสมุทยะเนี่ยก็คือเหตุเกิดวยะนั่นก็คือเสื่อมเนาะเห็นบทว่าสมุทยะธรรมานุปัสสีเนี่ยก็คือให้พิจารณาบอกว่าเวทนาเนี่ย ขันเนี่ยนะเกิดโดยการห้าเกิดโดยการห้าสมุทยะธรรมมานุปัสีเนี่ยนะสมุทยะวะธรรมะก็หมายความว่าเห็น่าความเกิดขึ้นของเวทนาก็คือเห็นเหตุเกิดของเวทนาเห็นธรรมคือความเสื่อมในเวทนาก็คือเห็นเหตุดับของเวทนาเช่นเขาาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในเวทนานั้นปแปล ว, ว่าการเห็นทั้งสองอย่างแบบครองแล้วทีนี้อ่ายกตัวอย่างเช่นเวทนาเกิดเนี่ย เพราะอาวิชาเกิดเวทนาเกิดเพราะตัณหาเกิดเวทนาเกิดเพราะกรรมเกิดเวทนาเกิดเพราะภาษาเกิดสี่แล้วนะห้าคอะไรเห็นเวทนาเกิดเห็นอะไรเห็นลักษณะความเกิดขึ้นของเวทนาที่เขาเรียกว่านิพพติลักษณะเวทนาก็เกิดนิพพติลักษณะทีนี้เอาไปพิจารณายังไงดีพิจารณาว่า เอาเอาวิชาก่อนเนาะเขาเริ่นโดยปัจจัยแต่เห็นโดยขณะ เ, เห็นโดยปัจจัยก็คือว่าคืออาวิชาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเอาตัวชัดๆเขาก่อนเนะกรรมที่ได้พูดไปแล้วเราทํากุศลกรรมเข้าไว้เราก็ได้อัตภาพในการเป็นมนุษย์นะทีนการเป็นมนุษย์เนี่ยมาจากกรรมเนาะปรงแต่งทําให้เรารได้รูปขันได้เวทนาได้สัญญาสังขารอีกอย่างได้มาตั้งแต่ปฏิสนธิการเป็นต้นมา ใชไหมทีนี้พอเรามีรูปประคันก็เป็นที่ตั้งของเวทนาสามเวทนาห้าก็ว่าไปพอได้รูปประคันมาเสร็จเราได้เรามีอี่ทวารจากขรุทวารทางทวารตาทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายทวารใจมีครบกันทุกคนไหมบางคนทวารจากขรุทวารไม่มีก็มีใช่ไหมบางคนโสดต่ทวารไม่มีแล้วแต่เรายังอยู่ครบเนาะถ้ามีใครมืดมืดโมโมบางยังสรุปแล้วก็เออ ก็ยังพอประครับประคองไปได้อยู่แต่ก็เริ่มจะแย่ ๆ, ๆหลายคนเริ่มใส่แว่นแล้วเนอะทั้งพูดพูดทั้งพูยใจทั้งพูดฟั ง, งเริ่มแลแสดงว่าไอ้นี้แปลว่าเออเริ่มจะทีนี้ก็สรุปแล้วก็คือว่าไอ้เวทนาเหล่าเนี้ยมาจากกรรมมาจากถามว่าเออที่เราทํากรรมในอดีตเนี่ยอะไรทำให้เราทํากรรมไม่ได้เวทนาเห็นไหมอาวิชามันปิดถ้าเราไม่มีเอวิชาในอดีตเราจะไม่มีเวทนาในปัจจุบันเนี่ย เพราะาวิชานะปกปิดทําให้เราไม่เห็นโทษของเวทนะเราไม่เห็นเลยนะว่าอเวทนามันมีโทษมันปิดใช่ไหมเอาวิชาเกิดตัณหาทีนี้เขาบอกว่าอกรรมเหมือนอะไรกรรมเหมือนพ่อตัณหาก็เหมือนแม่เหมือนอย่นั้นแหะทีนี้ถ้าเราบอกว่าอาวิชาตัณหากรรมเนี่ยนะ่จริงๆในขณะที่เราทํากรรมเนี่ยมีอวิชาเป็นปัจจัยอยู่แล้ว และการทํากรรมที่จะทําให้ปฏิสนธิมีขันห้าในขันห้ามีเวทนาขันด้วยก็เพราะว่ามีตัณหาเชื่อมท่านคนทํากรรมที่ไม่มีตัณหาคือบ้านหลังเนี่ยไม่ไม่ยังปฏิสนธิให้เกิดขึ้นเลยสรุปแล้วก็คือกรรมในอดีตนี่แหละทําให้เราได้เวทนาในปัจจุบันนี้ทีนี้โสมนัสเวทนาก็ดีโทมนัสเวทนาแล้วเบขาเวทนาก็ดีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันภพเนี่ยที่มันเป็นใบทางทวารตาหูจมูกเล่นกายใจเป็นต้นเราเนี่ยนะที่มันได้น่อย่างยกตัวอย่างเช่นที่บอกว่าในที่อาหารเนี่ย พอถึงเวลาถึงเวลาใช่ไหมเพออาหารมันหมดขึ้นมาเนี่ยทุกเวทนาเกิดเกิดที่มันเกิดจะเอาสัวลรกำรรเน่ะแต่เมื่เกิดจะกำนี่นะกรมนี่กุมมาจัดการแล้วแล้วก็อาหารใส่ใส่อสมนะเเวทนาเกิดสรุปแล้วว่าไอเวทนาที่มันเกิดมันเกิดจากกรรมในดีใช่ไหมไอกมในดีนั่นน่ะมีอํานาจในการให้เวทนาในปัจจุบันนี้เห็นง่ายๆก่นนะแต่เวทนานเกิดตลอดเวลามันให้ให้ใหตลอดเวลาในชีวิตของเราเนี่ยยกอย่างเช่นเนาะถ้าไม่เราเห็นเนี่ย อันนี้ถ้าว่าทางทวารตาก็จาจะตัวเป็นเป็นอุเบกขาเวทนาเอาทางทวารกายดีกว่าอาคุศสลกรรมเนี่ยให้ผลทางทวารกายให้โรคภยัยแค่เจ็บป้องเป็นทุกเวทนาไหมไ ม, ไม่ให้ทุกเวทนาอู้ดบางคนบางคนต้องป่วยกระเสาะกระแซงตลอดเวลาเลยนูตัวอย่างได้เยอะที่นั่งๆอยู่เนี่ยป่วยตลอดเวลาต้องกินยาตลอดถ้บองั้นด็อันนี้คืออะไรเนี่ยอาุศสลกรรมมันเล่นงานเนาะ นี่มกรรมเนี่ยมันสร้างเวทนาให้ทำให้ได้เวทนาแบบนี้ทีนี้ไอเวทนาที่มันเกิดจะ ก, กรรมกรรมนั้นมีโมหะมีตัณหานี่เขาเรียกว่าปัใจจัยในอดีตเขาเรียกก็เห็นโดยปัจจัยเนาะทีนี้ในปัจจุบัน ล, ล่ะปัจจุบลลันอาศัยผภาษาภาษาทั้งทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจในภาษาเหล้วนี้เกิดเวทนาเกิดแล้วก็อีนิพิลักษณะในที่นั้นคือลักษณะการเกิดมันเกิดโดยขณะมันเกิดโดยอัตตาเกิดโดยสัญ ต, ติตเป็นต้นเหล่านี้ เวทนาก็จะเป็นไปัล้วสมัยนี้ชื่อไหมเวทนาในอดีตเป็นปัจจัยแก่เวทนาในปัจจุบันเพราะเวทนาในอดีตไม่เกิดเนี่ยปัจจุบันก็เวทนาก็เกิดบางทีก็สุขเวทนาเกิดก็เป็นปัจจัยเกิดทุกข์ก็ได้เกิดเป็นปัจจัยบิดขาเป็นต้นก็ได้แต่ผนิพพติลักษณะคือลักษณะการเกิดของของเวทนานั้นอุตุบางที่ก็เป็นปัจจัยแก่เวทนาเป็นต้นที่อธิบายไปใช่ไหมลักษณะในกรณีนี้คือลักษณะการเกิดขึ้นของเวทนานั่นเขาเรียกว่าเห็นโดยปัจจัย ทีนี้ถาอาวิชาตัณหากรรมและผัสสะและ้วป่วิปริณามารักษณะดับเวทนาก็ดับถามว่าถ้าดับอาวิชาได้ท้าววเวทนาในานาเขาจะดับไหดับตัณหาถ้ากุศลกรรมมากุศลกรรมไม่เกิดแล้วเนี่ยใช่ไหมแปลว่าอลาลัยจะมรรเกิดขึ้นแล้วเขาชอบทําบุญกันประเภทหนึ่งี่ว่าตัดกรรมมรรคเนี่ยือตัดกรรมจริงๆใช่ไหมจ๊ะถ้าหากว่าโสดาปิมรรคเกิดขึ้นนี่นะกรรมที่จะทํานําไปใบยพูมิเนี่ยไม่ไปอยูแล้วนี่ตัดไหมตัดจริงไหม นี่ไงตัดจริงๆไงอย่างอื่นตัดเราตัดเล่นไม่ตัดจริงหรอกถ้าโสดาปริมากนี่ตัดจริงๆถ้ายอมทําโสดาปริมากให้เกิดขึ้นเนะ่ยอมที่เห็นเืนกลากลอนเต็มไปหมดอบายศาตร์ทยอมไม่ไปแล้วไม่เกิดเป็นยุ่งไม่เกิดเป็นมดไม่เกิดเป็นปลวกไม่เกิดเป็นสุนัขไม่เกิดเป็นแมวไม่เกิดเป็นพวกนกเอ้ยพวกไปยิงจบทุกแกเนี่ยมันเกิดแล้วที่เราเห็นเหตุเห็นกันเนี่ยเรามีโอกาสหมดเลยนะใช่ไหม ถามว่าในท้องของเขาเนี่ยมีไข่ไหมโอ้โหสอบไปปฏิสนที่ได้หมดเลยถ้าไปปฏิสนที่ึ้นมายุ่งเลยเนาะยุ่งเลยทำไงจะไปติดตัวเียไปก็คล่องเลยเนะ่ยพของคุณเคยอยู่แล้วออก็เนไปโอหน่ากลัวจริงเนี่ยถามว่าถ้าวิชาตัญหาและกรรมภาษะดับเวทนาก็ดับแล้วก็วิปริณามรัศนะลักษณะนี้เขาเรียกว่าเห็นโดยปัจจัย ถามว่าเห็นโดยขณะเห็นยังไงเห็นโดยขณะเห็นงไงเขาบอกว่าวิชาตาสนากรรมที่เกิดขึ้นยังมีอยู่ด้วยอํานาอยังละไม่ได้ก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่เรื่เวรน า, าสัญญาสังขารมีอยางใช่ไหมถามว่าวิชาตาสนากรรมเนี่ยในอดีตมีอยู่เนาะแล้ววิชาตาสนากรรมอะไรยังละไม่ได้เหตุที่ยังละไม่ได้ก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยเป็นปัจจัยที่เป็นที่อาศัยที่มีกําลัง ม, มีกําลังทําให้เวทนาเกิดขึ้นในปัจจุบันเห็นไหม และวถ้าอาวิชาธนกรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเรายังละอวิชาธนกรรมนี้ไม่ได้เนาะอาวิชาธนกรรมนี้ก็ก็จะเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่เวทนาในอนาคตยมแบบนี้ท่านเวทนาไอเอาวิชาธนกรรมในอดีตเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่เวทนาในปัจจุบันและอาวิชาธนกรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้พบนี้ก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่เวทนาในอนาคตนี่เปเนีัยอันเนี้ยเขาเห็นแล้วเขาชัดเจนการเห็นปัจจัยปัจจุบันอย่างเงี้ย นี่เขาเล่าปรโดยปัจจัยถามว่าโอ้ทำไมเราจรึงมีเวทนาถ้าถามว่าถ้าทุกขเวทนาเกิดขึ้นถ้าสุขเวทนาเกิดขึ้นถ้าเบคาเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยเราก็รู้แล้วโอ้เนี่ยเอาวิชาตรรกะกรรมในกรรมมีสองอย่างไหมมีกุศลกรรมกับอกุศลกรรมถ้ากุศลกรรมให้ผลสุขเวทนาได้ไหมได้สุขเวทนถ้าอากุศลกรรมให้ผลก็ทุกขเวทนา เห็นว so ่าเออบางครั้งเราได้ทุกขเวทนามากกว่าสุขเวทนาอันนี้หมายต้องเวทนาเกิดจะกรรมก็ได้นะเวทนาเกิดจาจิตก็ได้นะเกิจากอุตุก็ได้เกิดจาอาหารก็ได้นะเกิดจาวิชาก็ได้เกิดจาตัณหาไปเรื่นกันนะเอาว่ะไอเวทนาสายปัจจัยเยอะแยะหมดแต่โดยสรุปลงท้ายก็คือมีกรรมนี่แหละถามว่าถ้าไม่มีวิชาตัณหากรรมเราจะไม่รับสุขทุกในปัจจุบันนี้ไหมไม่ได้หรอกเพราะมีเอาวิชาตัณหากรรมในอดีตนั่นแหละ เราจรึงมีสุขเวทนาบ้างทุกเวทนาบ้างอาทุกขมาสุขเวทนาบ้างขอบคุณไหมขอบคุณเวทนาไหมขอบคุณอวิชชาไหมขอบคุณไหมทําให้เราได้กินอาหารอร่อยๆ อ, อ, อ, อ, อ่ะไม่ขอบคุณเลยใช่ไหมทำให้เรามีโอกาสที่ฟังธรรมไม่ขอบคุณเลยแต่มองแง่มีส็ น, นาขอบคุณใช่ไหมเอาโอ้โหเดียวถามว่าบางท่านได้เวทนาที่หมดโอกาสในการฟังว่าธรรมเลยใช่ไหม ถ้าเวทนาในบายภูมิเนี่ยทั้งสี่ภูมิเลยเขามีโอกาสฟังธรรมไหมหมดสิทธิเลวเนาะหนักไปกว่านั้นอะ่ะเวทนาที่เกิดกับพวกอยาจกวั น, นีพกเนี่ยที่เขาไม่มีที่อยู่อาศัยเลยอะ่ะเขาจะมาฟังธรรมได้ไหมตอนนี้เนี่ยเห็นไหมเวทนาบางอย่างไม่เกื้อกูลต่อการเจริญกุศลอะไรเลยเนี่ยัเวทนาบางอย่างเกื้อกูลต่อการเจริญกุศลแต่ท่านพูนั้านประโยค้ผิดกรรมีเนะโอ้โหมีความพร้อมทุกอย่างที่จะศึกษาพระธรรมแต่ใช้ชีวิตไป ประโยชน์เขาวิบัติเห็นไหมไอ้ประโยชน์เาวิบัติเนี่ยเขาเพี้ยนผิดตลอดเลยไหมทั้งทั้งที่เวทนาเขากเกื้อกูลเลยนะเออสภาพร่างกายเขาก็แข็งแรงดีความเป็นอยู่ของเขาก็ไม่ได้ทุก ข, เ, ขเวทนาอะไรมากมายนะักใช่ไหมคือมันเกื้อกูลต่อการที่จะเจริญกุศลแต่ไม่เป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่สมถาวิปัสนาไม่เป็นปัจจัยแก่ภาวนากุศลแต่ไปเป็นปัจจัยแก่อกุศลเขาเรียกว่าอะไรเวทนาเป็นปัจจัยแก่อกุศล โดยอุปนิสัยปัจจัยก่อนเห็นไหมอ๋อโดยอุปนิสัยปัจจัยแทนเนี่ยเป็นปัจจัยใจราคะก็ได้เป็นปัจจัยใจโทสะก็ได้เป็นปจักกปนปจจัยแก่โมหะเป็นต้นก็ได้แต่อันนี้เวทนาของเขาก็กลายเป็นปัจจัยใจเออเราชีวิตของเราก็สุขสบายดีแล้วเราจะมาเข้าวัดเข้าอาจะมาไล่สายเล่าอ่างนั้นนะเละเราอยากจะทําอะไรก็ได้เรามีรถขับรถไปเที่ยวดีไหนก็ได้ เราอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ไปได้หูยเราได้เวทนะไอโยมคนนึ่ยังนั่งมายัางเล่าอีเล่าอีลาไอโยมในรถฟังโอ้แกเกิดเป็นคนรวยเนาะรวยมากในะประเทศไทยนี่เนะี่ยแกถูกส่งไปเรียนต่างประเทศก็ก็สร้างเหมือนกับบ้านคล้ายๆอย่างเขาเือหาที่แกก็ดูห้ยงามมากเป็นเลือหาแกก็ไปเรียนอยู่ต่างประเทศเนะี่ะเรียนไปเรียนมาจะชิดได้คนมีบุญเก่าอะ่ะ แกบอกเอ้ยสุขเวทนาโสมนา ส, สเวทนาหรือที่เราได้ฐานะนี้มันมาเพบุญเนี่ยบางคนก็ไม่ได้ฐานะเช่นเราเลยวะเนี่ยเออบุญไม่เที่ยงเอาเลยสิเขาคิดเนี่ยมันหมดเป็นนะเนี่ยบุญเนี่ยมันไม่ใช่จะหมดไม่เป็นนะเออเราจะมานั่งสเสวยผลบุญอย่างนี้ไหมโอ้จากการไม่ได้รอบรู้พระธรรมอะไรมากมายคิดได้ขนาดนั้นเนี่ยบุญกลับมาสนใจพรํารรมอย่างนี้ศึกษาพระไตรปิฎก อ่านจบไปหลายรอบนี้เอาสิก็ทําบุญใหญ่เลยนี่เจริญกุศลแล้เจริญถูกด้วยคนศึกษาก็ทํำดีนะใหม่เดี๋ยวเจริญบุญสเปรย์สะปะแล้เจริญถูกด้วยเอาสินี่ก็เกือ้อกูลบางคนมีความพร้อมพร้อมแต่ทตําตนเองให้ไม่พร้อมไม่ไม่เอาไม่เอาสมนัสโพมนัสแล้วเวาเวทนาเกื้อกูลต่อการเจริญศีลกุศลสมาธิกุศลเภาวนากุศลแล้วก็ปัญญากุศลไม่เอาไม่เอาเวทนาที่เกิดขึ้นในชีวิตปัจจุบันเนี่ย เกื่อกูลต่อศีลสมถาวิปัสนาเลยไม่ได้ความงามในเบื้องต้นของพระศาสนาเลยยุ่งเลยเีนี้ไอ้ตรงนี้เราก็ต้องพิจารณาดูนีบางคนเนี่ยต้องลำบากเนยบางคนนี่มีเวลาศึกษาพระธรรมเพียงวันเดียววันอาทิตย์น้อยมากเนี่ยแปลว่าโอ้โหไปอยู่ในครอบครัวบางครอบครัวก็ผูกมัดเลย่ะห้ามคุณต้องทำงานเนี่ย โอขอร้องเขาทําอะไรก็ได้ขอให้ได้ไปเรียนธรรมะตักครึ่งวันเด้ออาทิตย์เนี่ย เ, เขานุญาตก่อนแล้วเขขอเพิ่มหน่อยทําให้มากขึ้นทํางานให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มให้ได้หนึ่งวันเนี่ยให้ศึกษาเพทําได้หนึ่งวันเราก็มาคิดดูเนี่ยเออลองพิจารณาอย่างนี้โอ้โหแปลว่าต้องเทียนมากอ่ะฉะนันกว่าเขาจะได้เพราะทำคำสอนของพระเจ้าหรือเขากกใช้ความเพียนอย่างขนาดหนักเลยถามเออเราเคยเทียนขนาดนั้นไหมยังไม่ถึงขนาดนั้น เ, า เ, า เ, า เ, เ น, นาะ ถึงขนาดนั้นเมื่อไรสแสดงโอ้ยสัตย์ทินรีก็ดีวิริยะสติสมาธิปัญญาอย่างแข็งแรงอะนะก็อันนี้เห็นไหมเวทนามันเกื้อกูลต่อการเจริญศีลสมาถาวิปัสนามันได้เบื้องต้นของระศ า, าสนาได้ความงามของระศาสนาในเบื้องต้นได้ถ้าคว้าเบื้องต้นของระศาสนาสิกขาสามเดินเข้ามาสู่กระแสขันได้แล้วทากลางที่สุดมีโอกาสแต่ถ้าหากในปัจจุบันนี้โอ้ขนาดเบื้องต้นในระศ า, าสนายัง วิ่งรอบะขอบสระอยู่ในยุงเนี่ยนะเนาะวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งเข้าไปหูอ่านมาแล้วศึกษาพี่ทําเอเรียนมาเยอะแยะหมดแล้วมันเหมือนกับหูยนิพพานเนี่ยเหมือนสระเนาะวิ่งวิ่งวิ่งไปไปอืออ่านพระนาหูวิ่งรอบะขอบสระไม่ได้เห็นสระได้ดีเลยกลับมาหัวงามอย่างที่พระเจ้าว่าจริงๆเนาะวิ่งไปวิ่งมาก็ไปนั่งหมดแดงอยู่ใกล้ๆสระแจะก็ตายกันปะตายกัไปกลับมาก็มาวิ่งใหม่อีกรอบ วิ่งอยู่เงี่ยนะยี่ไม่ยอมเข้าสักทีน่าคิดเหมือนกันเย่ยนยมสมาธแต่นี่ไม่เอาแล้วรีบเปิดประตูสาะรีบเข้าไปอาบน้ำเลม่นจชื่นใจนะอะย่าไ้ชำระล้างบนทินโอ้โหมันเหมือนมานานแล้วเนะในสังสารวัดเนี่ย ก, ก, ก็พิจารณาในลักษณะอย่างนี้นะมีปกติเห็นธรรมไงเราอ่านตรงนี้หน่อยเถอะดังนี้ชื่อว่านี่อ่านไปให้จบเลย คือความเกิดขึ้นในเวทนาทั้งหลายอยู่หรือมีปกติพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อยในเวทนาทั้งหลายอยู่มีปกติพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในเวทนาทั้งหลายตามการหรือมีปกติพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อยในเวทนา แต่ตรงนี้นะการพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในเวทนาหมายถึงเห็นเหตุเกิดนะความเกิดขึ้นเนี่ยเวทนาเกิดเพราะอาศัยเหตุเห็นเหตุปัจจัยของเวทนานะเห็นเหตุเกิดของเวทนาเห็นเห็นเอาวิชาธนหกรรมแล้วก็ภาษาเกิดนิพติรักษณาเกิดนะก็เห็นเหตุเกิดไม่ใช่เห็นเฉพาะปัจจุบันที่เวทนานี้เกิดเท่านั้นนะีเห็นปัจจัยของเวทนามเกิดด้วยเห็นโดยปัจจัยอ่ะ โดยอุปนิสัยปัจจัยแบบไม่ไม่คลางแทงสงสัยแล้วต่อมาก็มาเห็นโดยสันตติไม่เห็นโดยสันตติเขาเรียกว่าสันตติอย่างที่กล่าวไว้เกี่ยวกับเรื่องของเวทนาเห็นการเกิดขึ้นโดยโดยปัจจัยก็โดยโดยโดยปัจจุบันยังไโดยโดยโดยปัจจัยก่อนแล้วก็มาเห็นโดยสันตติปัจจุบันขณะปัจจุบันก็ว่าอัด้วยภาษาภาษาของดีกาท่านใจะเห็นนะถ้าหากว่าไม่ไม่เข้าใจเรื่องเหตุเกิดนะ อาวิชาตหากรรมพัทธาเป็นต้นแล้วก็ น, นิปติลักนยัยการเกิดของเวทนาในอดีตเนี่ยถ้าไม่เข้าใจเหตุเกิดของเวทนาทั้งหลายเหล่านี้เแบบ็ดเสร็จจะมาเห็นเฉพาะแต่เวทนาไม่ใช่ฐานนะมันไม่ใช่ฐานนะมันไม่เพียงพอต่อการที่จะรักถ้าไปเห็นอย่างนี้นะสมมุตินะเอาเห็นแต่เฉพาะปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันเ น, นี่ยนะนักเข้านักเข้ า, นาเานาเี่ยปฏิเสธเหตุปัจจัยการปฏิเสธเหตุปัจจัยนั้นจะกลายเป็นอุดเฉดทิฏฐิเห็นว่าขาดศูนย์ ลรงให้พวกหมอเขาวิจัยวิจัยไปวิจัยมาอุเฉดในที่ถีกินกินความรู้สึกหมดเลยเห็นว่าขาดศูนย์หมดเลยนั่นแหละคือการไม่พิจารณาไม่เข้าใจเหตุปัจจัยของของของนามเลยลูกเป็นต้นนั้นทุกอย่างมันมาจากเหตุปัจจัยไอ้เวทนามันเป็นทุกข์เพราะปัจจัยมันเป็นทุกข์เวทนามนเป็นสุขเพราะปัจจัยมันเป็นสุขเวทนาเกิดเพราะปัจจัยมันเกิดขึ้นมันต้องเวทนาดับเพราะปัจจัยมันหมดเหตุหมดปัจจัยเพราะปัจจัยมันดับไง ใช่ไหมวิชาตนากรรมเนี่ยดับภาษาดับเนี่ยวิปริณามลักษณะคือ ด, ดับเช่นอรหันตมรรคเกิดขึ้นอยู่เนะใช่ไหมอรหันตมรรคเกิดขึ้นเนี่ยโอยในอนาคต ด, ดับแน่นอนถามว่าถ้าปรินิพพานเนี่ยเมื่อไหร่เนี่ยเวทนาดับไ้ยเวทนาก็จัเย็นเวทนาก็จัดเย็นที่เราบอกว่าอะไรที่บอกว่าถ้าเราไล่แค่ทวารเดียวนี่จะเห็นชัดบอกอาศัยตาในรูปเกิดจากคุญยาณการประชุมของทางมสามการเป็นภาษาเพราะภาษาเป็นประแจัยาวเวทนานะ ภาษาเป็นต้นเนี่ยภาษาก็ดีพอพูดถึงภาษาไปว่าพูดถึงเอาวิชาตัหากรรมด้วยพูดถึงภาษาด้วยแล้วพูดถึงนิพพติลักษณะด้วยเนี่ยต้องให้เข้าใจชัดอย่างนั้นเนาะแต่เวลาพระองค์ยกมาเนี่ยยกหนึ่งเนี่ยแปลว่าท่านขยายได้แล้วท่านพูดให้คนมีปัญญาฟังแล้ท่านเข้าใจพูดภาษาเป็นเหตุของเวทนาแต่ไม่ใช่ภาษาเท่านั้นนะอีกเยอะพวกนั้นนะปัจจัยเวทนายังมีปัจจัยเยอะแต่หนึ่งนั้นนั้นเน่ยคือคุณต้องรู้จากปัจจัยอ่ะถ้าไมฉลาดในปัจจัยนะปจิยะปริกายานไม่เกิดเนี่ย ถามว่าคนจะไปชมไตรักได้ยังไงจะเห็นไตรักได้ยังไงอ๋อท่านเชื่อมโยงได้ท่านเข้าใจยังไงท่านเชื่อมโยงไปได้เ<ช>มื่อเห็นเขาเรียกว่าธรรมะที่มีลักษณะเหมือนกันอลักษณะเหมือนกันแต่ว่าท่านเข้าใจเป็นอย่างดีแนละ้วท่านเชื่อมโยงจนท่านเข้าใจแล้วเป็นนั้นพอผัสสะเกิดเวทนาใช่ไหมพอเวทนาเกิดตัณหาเกิดเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุปาทาน อุปาทานเป็นปัจจัยกรรมพบพบก็เป็นปัจจัยแก่ชาติคือชราโมรณะโศกรปรีเตวาทุกขโทมนาจ่าอุบายาความเกิดขึ้นเหงกองทุกทั้งมวลมีได้ด้วยประการอย่างนี้ทําไมวัฏตะทุกมันเป็นไปอย่างนี้ทีนี้ดับขั้นท่านแสดงอย่างนี้ถามว่าดับเนี่ยนะมันดับโดยโดยตทางท้าปะหารกระดับโดยสมุเฉทท้ะหานเห็นไหมไอ้ท้าดับโดยขณะของเขาเนี่ยมันดับขเขาอยู่แล้วแต่การดับที่ท่านไปไข้ควรไปพิจารณาแปลว่าท่านละ อวิชาตัณหาและอุบาทานในปัจจุบันได้ครั้งแต่ละขณะพอละได้แต่ละขณะนั้นแปลว่าตัณหามันคายตัวเมื่อเห็นความเป็นจริงมันเห็นโทษของขันหะเขาเรียกตัชชานะวันญยันเห็นเวทนามันแสดงโทษให้เห็นแล้วก็เห็นเห็นเวทนาที่มันแสดงโทษคือมีแล้วกับไม่มีเห็นเวทนามันแสดงโทษให้เห็นโดยการที่ว่าไอตัวเวทนามันบีบขั้นอยู่ตลอดเวลามันเป็นทุกข์ แล้วเห็นเวทนามันมันโดยความเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้เั้นเวทนามันแสดงโทษให้เห็นตัวนี้ยเขาเรียกเห็นโทษของของเวทนาขันไอ้การที่เห็นโทษของเวทนาขันมันเชื่อมโยงมาจากปัจจัยไงอ๋อไอ้ตัวปัจจัยมันก็มีโทษแบบเนี้ยไอ้ตัวเวทนาที่มันเกิดจากปัจจัยที่มีโทษมันเลยมีโทษทั้งไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาที่แสดงให้เห็นเนี่ยมันแสดงความเจ็บปวดให้เห็นแสดงความเปลี่ยนแปลงให้เห็นแสดงโทษของเขาเห็นในปัจจุบันเนี่ย นั้นปัญญาที่ไปแค่ควรแล้วเชื่อมโยงปัจจุบันแล้วเชื่อมโยงเหตุปัจจัยของเขาเนี่ยนั้นการที่ไปล้ใคราไปเสร็จแล้วแลเราก็เห็นความหมดไปของเวทนาแล้วเวทนาเขาเกิดใหม่อยู่เรื่อยเนี่ยแปล่ามันมันยังไม่ดับมันมันมันดับแล้วมันเกิดอีกแปลว่ามันยังไม่มันยังไม่ดับท้าวลเวทเวทนาไม่ดับท้าวล์ไงใช่ใช่ทีนี้เวลามันเกิดขึ้นดับไปตามเหตามปัจจัยมันก็เป็นเของมันอยู่เนี่ย ใครจะเข้าไปแทงตลอดไปรอบรู้หรือไม่รอบรู้สภาว่าทำกระแสะของพระธรรมมันก็เป็นมันอยู่นี่ใช่ไหมทีนี้พอไปเข้าเห็นความจริงตามพระธรรมคำสอนพระเจ้าเราก็ร้องอ้อนแล้วโอ้พระธรรมของพระเจ้าใช่ไหมพระเจ้าตรัสไว้ในจริงแท้ไม่แปรผันเลยว่าไอเวทนามันไม่เที่ยงมาจากปัจจัยที่ไม่เที่ยงเข้าไปเจ้าได้สัมผัสแล้วพอได้สัมผัสแล้วเน่ะเห็นชื่นแล้วก็เห็นก็ ศรัทธาเนี่ยศรัทธินรี้ในพระธรมรมคำสอนของพระเจ้าในพระพุทธเจ้าก็ตั้งมั่นคือปีติก็เกิดขึ้นนะคนเห็นแตกดับแล้วก็ปีติเกิดปีติเกิด น, นั้นไม่ใช่ว่าโอ้ยปัญญาเราแห ล, หลมคมเลี่เกินมั น, มนตัณหาเข้าเนต่อย่างนั้นอ่ะมันไม่ใช่ปัญญาเราแหลมคมเนี่เกินใช่ไหมแต่ถ้ามันคลายตัวในลักษณะอย่างนั้นเราเชื่อมโยงกับพระธรมรมคำสอนของพระเจ้าโอ้ยเนี่ยพระพุทธเจ้าแต่หน้าอัศาจรรย์จริงพระธรรมน้าอัศจรรย์จริงไง คุณของพระสงฆ์หน้าสะใจจริงเนี่ยเห็นคุณของพระรัตนตรัยเห็นโทษของสังสารวัตปรปลาโมดปีติเนีปัญญามันเข้าไปวิจัยลักษณะนี้ทีนี้พอปัญญามันเข้าไปวิจัยในลักษณะเบ็ดเสร็จอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ค่ายควรในการที่จะทําทําอะไรทำยาตปริญญาตีรล้ปริญญามากขึ้นมากขึ้นไอ้ตีรณปริญญาที่มากขึ้นเห็นอ น, นิจจังทุกขังหน้าตาเนี่ยทั้งภายในทั้งภายนอก ตามการเนี Nos, ่ยของตนเองตามการของผู้อื่นตามการเนี่ยใครควรจนชำนาญเลยเลยเนี่ยเวทนาภายในก็เป็นอย่างนี้เวทนาภายนอกก็เป็นอย่างนี้เวทนาอวัยว์ก็ไม่ต่างกันเวทนาของเปรตอสุรกายสตรีดาจันสตรนรกเวทนาของมนุษย์เวทนาของเทวดาเวทนาของพรหมต่างกันโดยความเป็นสุขบ้างทุกบ้างอเวขาบ้างแต่มีความแตกดับไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความเส้นไปเป็นธรรมดามีความคายไปเป็นธรรมดาเมื่อปัจจัยนั้นดับ ปัจจัยนั้นเสื่อมใช่ไหมตัวของเขาจะเกิดจะตั้งอยู่ได้อย่างไรก็ใครควรพิจารณาไปเนี่ยเนาะทีนี้พอพิจารณาไปเรื่อยๆจากที่เป็นตะระทัพท้าพหานเนี่ยเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่สมุทเฉทพหานได้เป็นยังไงบอกว่าอาศัยตาและลูกเกิดจากกุญญญาณการประชุมของธรรมสารประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปจัจจัยจึงเกิดเวทนาใช่ไหมเพราะเวทนาพเนาพราะเวทนาเป็นปัจจัยแก่ตัณหาเพราะตัณหานั่นและดับ ด้วยการละคายด้วยอริยมรรคโดยไม่มีส่วนเหลือแต่ว่าอะไรตทาทังข้าประหารที่ไข้ควรแล้วแล้วเราเล่า เ, เ, เนี่ยทําจนเป็นอัธยาศัยทําจนเป็นชํานาญทําจนติดต่อเห็นตั้งเวทน า, าภายในภายนอกอย่างละเอียดเลวประณีตใกล้เนี่นะพิจารณาเห็นจนละเอียดแล้วอ๋อเห็นด้วยความแตกดับด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและเหตุปัจจัยของเวทน า, าเหล่านั้นก็ไม่เที่ยงนั้นไปชมลงอย่างนี้นะ อัธยาศัยมันจะเริ่มเห็นแล้วเริ่มเบื่อนายทายกำนัดไอตําดับในี่สุดจริงเป็นอัธยาศัยแห่งอาริยมรรคเกิดพออาริยมรรคเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็เรียกว่าละตัณหาเป็นสมุทเฉธาหารแล้วนี่สิตรงนี้แหละเราจะดับเวทนาถ้าอาริยมรรคประชมได้หนึ่งครั้งปุ๊บโอโ้โหชื่นใจมากเราจะดับเวทนาในสังสารวัตรที่หาเบื้องต้นและที่สุดไม่ได้นี่นะเรียบร้อยเลยเหลือเจ็ดชาติใน โดยเฉพาะเวทนาในใบภูมเนี่ยเลิกเลยยกธงขาแล้วปิดประตูเลยไม่ใช่ยกธงขาปิดประตูเลยไม่ไปแล้วลองคิดดูเวทนาที่จะเกิดในสังสารวัฏเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่เลยนะหาเบื้องต้นเลยที่สุดไม่ได้เลยเราจะที่กรรมที่เราทําเข้าไว้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปชดเชยได้หมดเลยนะแต่มันสามารถดับได้โดยการที่ออโสดาปฏิมาเ ก, กิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเนี่ยอ๋อปัจจุบันสัน ต, ติอ๋อก็ยกได้อย่างเช่นว่าทำกรรมมาเป็นมนุษย์ ก็ได้เวทนาแบบมนุษย์ทํากรรมเป็นเหตุใกล้เป็นเหตุไกลอ้นั้นเหตุไกลเหตุไกลกรรมวิชาตัณหาในดิบคือเหตุกรรมเหตุไกลเหตุไกลได้เหตุไกลเหตุไกลถ้าเหตุใกล้กันเนี่ยพวกกระตเกายบ้างพวกผัสสะบ้างพวกเนี่ยอุตุเย็นร้อนบ้างอะไรบ้างเหตุใกล้ใช่ไีมแต่จริงถามว่ามีเหตุมีเหตุไกลอยู่เบื้องหลังไหมมียกตัวอย่างเช่นว่าทําไมโยมได้ฟังธรรมแล้วเกิดสมณะเวทนาเพราะกุศลกรรมในดีิบไหม ใช่ไหมถ้าไม่ทํากุศลกรรมในอดีตได้ได้ไวเนี่ยโยมจะได้ฟังก็ทำไหมถ้าไม่ทำกรรมในอดีตไวโยมจะได้ฟังทำวันนี้ไหมได้ไม่ได้ในตรงนี้ไงโยมต้องโยมต้องพยายามไล่ตามตรงนี้นะถามว่าโยมวันนี้ที่ได้มาฟังฟังธรรมวันเนี้ยโยมต้องทําบุญไว้ในอดีตดีใช่ไหมถ้าไม่ได้ทํากุศลกรรมไว้ในอดีตโยมจะได้ฟังธรรมวันนี้ไหมถ้าไม่ได้ฟังธรรมสุขเวทนาจากการฟังธรรมจะเกิดไหม นั่นแหละสุคเวทนาที่เกิดขึ้นนั้นมีกรรมในอดีตเป็นปัจจัยเห็นหรือยังตอนนี้เห็นหรือยังเข้าใจตรงเนี้ยเขาพิจารณาจนเข้าใจจนแล้วแล้วเราเล่าจนชัดเจนจนไม่สงสัยเลยว่าเพราะกุศลกรรมนั่นเองเราจรึงมีได้ได้ปัใจจัยในการแต่มันไม่ใช่เฉพาะแก่ปัใจจัยในอดีตอย่างเดียวนะแล้วประโยค่ในปัจจุบันย่อมต้องถูกด้วยเนะ สมมติว่าโอ้ยจะไปห่วงเรื่อื่นมากกว่าการฟังธรรมมัน ก, มนก็มันก็ไม่ได้สมณติน่จะ ก, การฟังธรรมก็ได้ใช่ไหมใช่ลองทําท่าติดธุระดูสิมันติดได้ทั้งวันโอ้โหวันนี้รู้สึกวันนี้ผัดพัดจมู ก, กว่างแค่ไหนเชื่อมโยงกันหมดชาช่ายเชืช่อมโยงกันฉะนั้นจะจะทิ้งทิ้งปัจจัยในอดีตไม่ได้เลยเป็นไปไม่ได้นั้นที่มันเป็นไปในสังสารวัตนี่คือมีปัจจัยในอดีตเชื่อมโยงกับปัจจัยในปัจจุบัน ถ้าไม่เห็นปัจจัยในอดีตอย่างนี้นะไม่ต้องพูดเรื่องวิปัสสนากันแล้วเรียบร้อยแล้วลงทะเลแล้วพระธรรมคำสอนของพระเจ้าเป็นเรื่องละเอียดอ่อเนียก็ขนาดศึกษายังไม่ค่อยอยากเข้าใจเลยไม่ต้องพูดถึงคนไม่ศึกษาใช่ไหมก็ขนาดศึกษายังไม่ค่อยอยากจะเข้าใจก็เนี่ยกรณีเราเราต้องเข้าใจเราถามว่าที่เราไม่ได้เห็นเนี่ยนะได้เห็นพระมาแสดงธรรมเนี่ยได้ฟังพระแสดงธรรมเนี่ยได้อยู่ในบรรยากาศอย่างเนี้ย ถ้าไม่ใช่กุศลกรรมในดีดมันจะอะไรอ่ะเพราะวิชาตัณหารกรรมในดีดนะแต่ต้องเป็นกุศลกรรมนะแต่เนี่ยวิชาตัณหาแหวนรองเอาวิชาเป็นประจัยแก่ตัญหาเออเอาเป็นประจ่ายแก่สังขารคือกรรมอ่ะคือกุศลกรรมอ่ะวิชานี้ก็ปิดใช่ไหมทากรรมไว้เอเกิดชาติใจขอให้ชาวปิยได้มีโอกาสฟังทํามกัเขาบ้างแต่ไม่ต้องฟังทุกวันนะบอกกันเนอะเราไปอธิษฐานแบบนี้มาเนี่ยหมายอธิษฐานผิดไปยังไง เราอเราไป์ท okay, ิศฐานเนี so, ่ยบอกว่าขอให้มีโอกาสได้ฟังธรรมบ้างหรออาทิตย์ละครั้งก็ยังดีนะแต่อย่าฟังทั้งวันนะเดีายวอาจารย์แบบเนี้เลยได้ก็เลยได้สมรัสเวทนาจากการฟังธรรมแค่นี้เองเรายุ่งเลยใช่ไหปตั้งไหมตั้งไหมประจําตั้งไปฟังประจําก็ใช่เมื่อตั้งพีชไหมเนี่ยใช่ถ้าเราไปตั้งเรากลัวเสียเวลาดี่ไปตั้งในดีแบบนี้มาเนี่ยได้ได้ได้กุศลแบบนี้เลยเดีวนี้บางคนไปตั้งทุกวันเขาได้บวชเลยเีนี้ เีไ๋ไม่ได้บวชได้ฟังพระธรรมเนี่ยนี่เขาตั้งเป็นเนี่ยใช่ไหมไอเรามันตั้งกันผิดเลยได้ฟังอย่างนีง้เลยเมือ่อใดที่มาเนี่ยฟังทุกวันทุกวันไม่ขนาดพยายามวันนี้วันนี้วันนี้คงจะหยุดสักหน่อยแล้วมั้งเนี่ยไม่ได้อีกแล้วคนบางอาจารย์มาสนทนาพระธรรมมาหน่อยต้องสนทนาอีกแล้วก็นั่งแปลกๆบางทีก็หูยเห็นไหม ไม่อยากฟังเลยถูกมั้งครับหรือเในสุดอัธยาศัยก็เคยชินเลยนะี่นี่เขาเรียกอัธยาศัยเขาแบบถ้าเราไปอยู่ในวัดนะถ้าไปไปโย่เขา้ายิบบัดอีกส่งไปคนละเรื่องเลยเล่นหมักลุกหมักคอดก็ได้ยังไ ม, ไม่ต้องฟังธรรมก็ได้นี่เมืดีไปเล่นนั่งกับยอมมีดก็เห็นอยู่ที่หนึ่งเอ้ยนั่งรอดไปอ๋อพระพระคุณเจ้าเล่นขคบหมักลุกกับยอมถึงเปก๊ปกเป๊กกันเลยแล้วหมดท่าแล้วเสียยุ่งเลย แต่เขาถือเป็นเรื่องธรรมดาไปแต่มันไม่ธรมมมธรมดาใ้ความรู้สึกนี่เห็นไหมว่าคืออัธยาศัยก็ตั้งไว้เพราะอัธยาศัยตั้งไว้เนี่ยผู้สนจะส่งผลให้สงสัยอย่างชัดแล้วน ะ, ะชัดแล้วก็ว่าเออเดี๋ยวสาธยาทไม่ใช่มีายแค่วันละที่เดี๋ยวนี้มีทุกวันน ะ, อ, ะอ๋อีบอาจารย์ระสาธยอะอวมลก็ไ